ปรารถนาจะรับขหะบดีจีวรก็ได้แต่เราสันเสริญการยินดีปัจจัยตามที่ได้